เย็นทำวัดเย็นครั้งสุดท้ายนะที่เราได้มาปฏิบัติที่ชยภูมนะิก็จะเป็นความต่อเนื่องนะในในการปฏิบัติของเราที่ได้เก็บเกี่ยวสติความรู้สึกตัวมันต่อไปเรื่อยเรืตั้งแต่เช้าจนค่ำนะเป็นโอกาสยากที่ที่เรา ได้จะสั่นเวลาตัวเองมาอยู่ในการภาวนาเ อ, อให้มันต่อเนื่องขึ้นนี้เลยแต่มันก็ถ้าเราอาศัยการปฏิบัติให้มันต่อไปเรื่อ ย, อยนะในชีวิตประจําวันของเรามันก็จะทําให้ทุกขณะที่เราใช้ชีวิตเราก็สามารถที่จะเป็นการปฏิบัติได้ทั้งนั้นออมันไม่ง่ายนะที่จะบางคนออ ที่ว่าการภาวนาเนี่ยมาเอาจริงเอาจังสักช่วงหนึ่งก็น่าจะได้อะไรสักอย่างกลับไปนะมันก็ถูกอยู่อย่างนั้นก็ได้ได้ลองทําหรือว่าได้เกิดความเข้าใจบางอย่างแต่ถ้าจะให้ได้เกิดความเข้าใจเอนะจนทั้งจิตใจมันเปลี่ยนแปลงจริงๆริงนี่ต้องอาศัยการบ่มเพาะนะอาศัยการลองถูกลองผิดเยอะแย ะ, ย ะ, ยะมากมายนะ ในเพราะบางทีพวกเราเป็นโยมมีโ อ, อกสาสมาอยู่วัดบ้างกลับไปทํางานไปอยู่ที่บ้านบ้างมันบางทีก็ไม่ต่อเนื่องบางทีก็ลืมหลงไปกับโลกบ้างขนาดแม้แต่พระเองนะไม่สีเองหรือคนที่อยู่วัดเป็นประจำบางทีก็ความต่อเนื่องก็ก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆหรือว่าบางทีความรู้ความเข้าใจอะไรต่างๆมันก็ ม, มันมันไม่มันไม่ง่ายนะักเพราะว่าการวางใจของคนเรานี่แหละมันเราเคยคิดแบบคารวาสคิดแบบความสำเร็จแบบทางโลกบางทีพอเอามาใช้ในการภาวนาบางทีมันมันไม่เหมือนกันเนาะเราก็จะเห็นว่าคารวาสเนี่ยบางทีเราเอากิเลสเป็นตัวตั้งเอาตัณหาเป็นตัวตั้ง ความอยากเป็นตัวตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ให้เรียนจบให้ได้งานที่ดีหรือว่าให้ได้มีฐานหน้าที่ร่ํารวยบางทีการตั้งเป้าหมายโดยเอาตันหาหรือว่าอื <c oughs> ความอยากเป็นที่ตั้งในหลายๆกรณีก็ทําให้ชีวิตเขาสําเร็จประโยชน์แบบนั้นก็มีนแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนนแต่ก็ส่วนหนึ่ง ที่มุ่งมั่นพอแล้วก็เดินถูกทางพอมันก็สามารถประสบความสำเร็จได้แต่ในทางธรรม ะ, ะถ้าเราตั้หาเป็นตัวตั้งเอาความอยากเป็นที่ตั้งไม่ว่าจะอยากพ้นจากความทุกข์อยากนิดพา น, นหรือว่าอยากจะสงบอะไรก็พอทําด้วยความอยากมันก็ไม่ได้ผลสักครั้งเลย มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎที่ตายตัวของธรรมชาตินะกฎตายตัวของธรรมะเลยถ้าเราภาวนาด้วยตัณหาด้วยความอยากนี่มันก็จะไม่ได้ผลการภาวนานานๆบ่อยๆมันก็จะทำให้เราวางใจกับการกับการบังผลนี่แหละมันดีขึ้นเนา ะ, นะธรรมดาใหม่ๆก็มีความอยากบ้างวางใจถูกวางใจผิดบ้างมีความเครียดบ้าง มีความท้อบ้างอะไรต่างๆนี่ก็ถ้าเราภาวนาไปบ่อยมันก็เออจิตมันก็จะค่อ ย, อยเรียนรู้เองอหละนะอันนี้เรียกว่าอาศัยเหมือนชั่โมวงบินอาศัยเหมือนประสบการณ์การทำงานเนาะเหมือนเราทำงานทางโลกก็ถ้าทำงานนานๆเราก็จะเริ่มเริ่มชำนาญในวิชาชีพที่เราทำนะหรือถ้าเราฉลาดพอในการอยู่กับโลก ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือในที่ทํางานเราก็จะเออใหม่ๆก็มีความคาดหวังสูงในที่นั่นที่นี่นะจะพออยู่ไปนานๆก็เริ่มเออทำใจยอมรับความเป็นจริงของของสังคมของคนอื่นได้นะมันก็จะเกิดความเข้าใจเออเราไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นเขาไม่ได้จริงๆหรอกนะแต่สิ่งที่เราควรจะทําคือเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มต้นที่ตัวเองดีกว่าไหมนะ การภาวนาก็เหมือนกันบางทีก็บางทีเราก็จะคิดไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือไปเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ชีวิตไปเปลี่ยนแปลงความคิดอะไรต่างๆซึ่งเราคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนาะแต่ถ้าเราวางใจยอมรับกับมันจริงๆสบายๆเนะี่ยมันก็มันก็จะเออมันก็ไม่เป็นไรเนาะมันไม่ทุกมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดหรือเป็นเพียงแค่อารมณ์แต่ ความทุกข์เพราะความที่เราอยากนี่เองเพราะเราไม่ชอบใจอยือบางทีเราก็หลงเพราะความชอบใจก็มีอันนี้คือเราก็ต้องฝึกมันจิตมันเกิดความฉลาดเกิดปัญญาก็ตรง น, นี้แหละจิตที่มันมีปัญญาคือจิตที่มันวางใจเป็นกลางจิตที่มันไม่ไปยึดว่าอันนี้เป็นของเราไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเว็นนานี่นแหละ เราต้องฝึกให้มันเกิดปัญญาตรงนี้มันถึงจะเรียกว่าถอนออกจากความทุกข์ได้จริงๆนะเพิ่งต้องใส่อาศัยเวลาอาศัยกําลังสติเข้าไปเรื่อยๆอาศัยไปเรื่อยๆอาศัยเนี่ยที่เราฝึกเนี่ยเราเรียกว่าเอาอ า, อาศัยสติหรือว่าอาศัยปัญญาเนี่ยคอยบ่มเพาะบ่มเพาะสมาธิให้มันงอกงามไปเรื่อย เราสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนคล้ายๆตอบกลับมากลับมาให้มันเห็นสภาวะของของรูปความนามที่มันแสดงความจริงให้ให้จิตเห็นนะเมื่อจิตมันมีสมาธิตั้งมั่นอยู่มันก็จะเห็นอาการของรูปของนามเนี่ยมาแสดงอาการไปเรืออร่อยเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆ เ, เรียกว่าเป็นการบ่มเพาะนะเหมือ น, ในใคล้ายๆเราเราปล่อยมะม่วงที่มันยังเขียวนะ แล้วก็เอามาบ่มในแก๊สนะเราเอากล้วยที่มันคือเขียวอยู่เอามาเอามาคุมไวนะ้มันก็ต้องรอเวลาที่มันจะสุกที่มันจะนะเรียกว่าเอามารับประทานได้จิตใจของเราก็เหมือนกันนะอาศัยสติสมาธิปัญญาเนี่ยคอยบ่มบ่มให้มันยอมรับความจริงการที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยคือการบ่มเพาะนะบ่ม เห็นไม่บ่อยเห็นไม่บ่อ ย, อยเห็นซ้ำไปซ้ำมานี่แหละนะนี่เห็นจนกรทั่งเราจิตมันยอมรับเองว่าอ๋อเมื่อใดที่ไปยึดมันก็ทุกเมื่อนั้นเมื่อใดที่เลิกยึดมันก็ไม่ทุกเนาะอะไรนะคนะือธรรมชาติของจิตธรรมชาติของกายเป็นแบบนี้เองเนาะมันมันเปลี่ยนแปลงแสดงละครเปลี่ยนไปเรื่อยๆของมันเองมันไม่สามารถทนอยู่ในอาการเดิมมันเป็นทุกประจําสังขารคือร่างกายจิตใจนะ มันเป็นทุกข์ของมันอยู่แล้วไม่ไม่ใช่ว่าเราเป็นทุกข์หรอกนะมันเป็นทุกข์ประจําของมันนะมันเป็ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่แล้วเนาะมันนแต่ก่อนเราก็อยากให้มันเป็นไปตามใจของเราอยากให้เป็นแต่ด้านที่ดีแต่พอจิตมันเห็นว่าไปบังคับไม่ได้มันก็ปล่อยวางของมันนีะมันก็ปล่อยวางธรรมชาติ ปล่อยางธาตุปล่วางขันนะจิตนึ่นก็ก็เกิดความเบ า, าเกิดความสบายเนี่ย อ, อาศัยการบ่มเพาะทั้งนั้นนะ น, นั้นการภาวนานะเราไม่สามารถจะรู้ได้กับกว่าเราจะได้ผลเนี่ยไม่มากที่ผลเนื่อไรก็สิ่งที่เราสึกหัดได้ก็คือว่าเราสร้างเหตุก็คือสร้างความรู้สึกตัวนี่แหละไปเรื่อยๆนะที่จริงผลที่เกิดความ ตื่นออกมาตื่นความส ง, งบขึ้นมากับนความเบิก บ, บานนม่น้อยเนี่ยก็เป็นคล้ายๆเป็นรางวัลที่เราสัมผัสได้เนี่ยเราก็ทําได้ถึงแค่นี้แหละแต่ก็ต้องทำให้มันต่อนนื่องไเรื่อยๆนะเราจะอยู่ที่วัดก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีนะเราก็ภาวนาที่กายที่ใจของเรานี่แหลนะนะกายใจเนี่ยแหละเป็น เป็นเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ของของการเจริญสติอย่างแท้จริงนะมีมอากาศไปอยู่ในที่สงบสงบทัรรยากาศดีอันนี้ก็ดีนะไม่มีอากาศอยู่ในสถานที่แบบนี้นะกลับไปอยู่ที่บ้านที่ทา ง, งานอยู่ในเมืองนะแต่ผู้เจ้าท่านบอกว่านะถ้าผู้ที่มีสตินะมีปัญญา แต่อยู่ที่ไหนที่นั้นก็เรียกว่าเป็นที่ ท, ที่เรียกว่าเป็นมนมมณีสถานไม่ใช่ว่าป่านี้นะ่ดีท้านี้ดีหรือว่าเขานั้นดีอสงบดีแต่ถ้าไม่มีผู้ที่มีสติมีปัญญาไปอยู่ป่านั้นถํานั้นเขานั้นก็ไม่ใช่ที่มนมมณี สถานนะแต่ถ้าปลาไหนเขาไหนท่านไหนหรือแม้แต่บ้านไหนที่ทำงานไหนนะมีมีผู้ที่มีสติอยู่นะคนก็ตอนนั้นหลจะเป็นโลมณียสถานแม้นะเริ่มแรกมันจะอาไัยสถานที่ในการภาวนานะแต่จริงพอเราภาวนาแล้วนะสถานที่นั้นเป็นสิ่งแรดร้อมที่เอือนะ้อ แ, แท้จริงแล้วถ้าใจเราสงบใจเรามีสมาธิมีสติจริงนะเราเนี่ยจะกลายเป็นคล้ายสิ่งแวดล้อมนะเราจะกลายเป็นสิ่งแวดล้อมให้กับคนอื่นนะเราจะไปสิ่งแวดล้อมให้กับกันและกันเราอยู่กับครอบครัวเราอยู่กับเพื่อนร่วมงานเราก็จะกลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้กับคนรอบข้างเขาสงบเย็นเหมือนกับตอนนี้ที่เรา อยู่ท่ามกลางธรรมชาติธรรมชาติก็เอื้อให้เราสงบเย็น่ถ้าภายในใจของเราสงบเย็นตัวเราเนี่แหละไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นเป็นเป็นสิ่งแวดล้อมให้กับให้คนหรือว่าสถานที่นั้นไม่มีความสงบเย็นในจิตใจเนชะ่ไหมไมมีความสุขใจอย่าเมื่เราอยู่เข้าใกล้หาครูบาอาจารย์ใช่หมเราก็จะสึกว่า เ, เย็นสบายเนี่ยแล้วน่าเข้าหาเนี่ย ครูบาอาจารย์เขาก็มีความเป็นที่ว่าเป็นผู้ที่สงบเงย็นให้ลกูกศิษย์ได้เข้าใกล้ได้มีความสุขอันนี้ยแหละถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆนะเราก็จะเป็นผู้ที่สงบเงย็นนะก็คนเราข้างเราเขาก็จะมีความสุขเนี่ยเกิการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงคนอื่นนอกข้างตามไปด้วยอันนี้เป็นผลที่ เ, เราก็สามารถสัมผัสได้นะ แม่ไม่ต้องสงบเย็นมากแต่ถ้าความร้อนของเรามันน้อยลงเนี่ยมันก็ดีมากแล้วเนี่ยอความโกรธที่เคยกโกรธมากมันกรดน้อยลงเนี่ยความจมทุกข์ที่มันเคยจมนักมากมันจมน้อยลงอย่างเงี้ยความหลงที่มันเคยหลงเคยไหลไป็ น, นนานนมันสั้นลงเนียมันก็ดีขึ้นแล้วนะมันก็จะดีขึนะ้นนี้วแต่ก็ตั้งทําไปเรื่อยเนี่ย แต่เยอะก็เยอะตำหนะักเนาะชีวิตนี้มันชีวิตเราไม่สั้นจริงๆนะมันสั้นจริงๆมนะมันไ ม, ม, ม่กี่ปีไม่กี่วันไม่กี่เดือนนะแล้วก็เราก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วนะมันสั้นไม่เดียวแต่สุนค่าของการที่จะมีชีวิตจริงๆเราเราต้องกลัดมาตระหนั ก, กกับสุนค่าตรงนี้นะอืม คุณค่าในการหารเงินหาทองในการวัตถุภายนอกก็ถ้าจําเป็นต้องมีก็ทําไปนะแต่มาว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตน่าจะเป็นการพัฒนาตัวพัฒนาจิตใจให้พ้นจากจากความทุกข์นะให้เป็นอิสระจากความทุกข์ก็คือให้เป็นอิสระจากิเหตปัญหาอุปทานต่างๆนั่นแหล ะ, ะถึงน่าจะเป็นคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย หรือว่าเราสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะก็เป็นการเชื่อเฟื้ออ่าเชื้อกูณกันนะเป็นการอนุต่อกานให้กับผู้อื่นที่เขาอ่าได้พัฒนาตนเองเหมือนกัน น, นะเป็นมีเมตตาปรานาต่อการชื่อเหลือกันกนะ็ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะเราก็จะทำทั้งตัวเราเองให้สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วย เนี้ยถ้าเราภาวนานะถม้จะเข้านีตัวเนี้ยมาประกอบทั้งสองส่วนเนี่ยมันจะเกื้อคุณกันมากแต่ถ้าบางทีถ้าเราภาวนามุ่งเอาแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวมากเกินไปบางทีมันลืมมันลืมที่จะมีคล้ายๆมีความอะไรมันมีความเสห็นแก่ตัวบางอย่างที่มันแฝงเข้ามาอยู่อันนี้เราก็ต้องคอยระวังนะบางทีนะภาวนาบางทีบางทีเราเรา จะเอาแต่ความสงบความสุขหรือว่าเอาแต่ประโยชน์ตอนอย่างเดียวเป็นบางทีความเห็นแก่ตัวเข้ามาแทรกนะเราก็ต้องรู้ทันมันนะหรือบางทีบางคนก็เอาแต่จิตใจดีงามช่ยวยเหลือแต่ผู้อื่นแต่ลืมดูตัวเองก็มีก็มีเช่นเดียวกันนั่นะมันต้องสมดุลทั้งสองส่วนนะสมดุลทั้งสองส่วน เราเกี่ยวข้องกับคนอื่นกับการงานแล้วก็เกี่ยวข้องอย่างอย่างไม่ยืนตนก็คือไม่ไม่หลงไปกับงานหรือว่าไม่ทําให้ตัวเองมีความทุกข์น ะ, ะก็จัดการช่วยทั้งตนเองช่วยทั้งผู้อื่นด้วยเนะนี่ยแม้แต่ขณะที่เราภาวนานะถ้ามีจิตที่เป็นจิตส่วนรวมที่จําเป็นเราก็ทําด้วยความยินดีนะให้ถือว่าการทํา ง, งานก็เป็นการปฏิบททัติธรรมเหมือนกันนะ จะได้รังเกตว่าการงานคือสิ่งขวางกั้นการภาวนาของเราเนาะนะพอทุกครั้งที่กายเคลื่อนไหวเราก็สามารถรู้สึกตัวได้ทุกครั้งที่จิตใจไม่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็สามารถรู้สึกตัวได้ตอนะนั้นจะได้เห็นว่าการงานในชีวิตประจำวันของเราเหรือว่าการพบปะกับญาติมิตหรือว่าผู้คนที่จำเป็นเป็นอุปสรรคของเราเนาะให้ถือว่าดีเป็นการ ก็เป็นการภาวนาอีกวิบแบบหนึ่งห น, น, นึ่งกันงนะจะได้รู้อารมณ์รู้ทันความคิดบ้างนะรู้ถึงการกระทบบ้างนีะมันก็จะได้ทั้งการ ง, งานทางโลกหรือการเกี่ยวข้องกับผู้คนตามสมมุติรวมทั้งกับการที่เกิดความวีมุติคนในจิตใจของเราด้วยอ๋อมันเกี่ยวข้องแล้วก็วางได้เนาะมันสัมพันธ์ก็วางได้เนาะเนี่ยมันก็ต้อง สมดึงเกื้อกูลกันไปบางทีอ่าถ้าเราทำพวบคู่กันไปนะบางทีพอเราช่วยคนอื่นเขาได้ให้เขาให้เขาได้มีความสุขหรือว่าคนจะความทุกข์ใจเราก็มีความสุขตามมาด้วยใจที่มีความสุขก็คือใจที่เบิกบานก็จิตก็ตั้งมั่นได้ดีมีสมาธิได้ดีสนะติสมาธิมันก็เดินไปด้วยกันนะ พอเราช่วยคนอื่นเขเราก็มีความสุขเราก็มีสตินะแต่ก็ต้องเป็นความสติที่มีอุเบขกขาคอยตัดด้วยนะีะหรือถ้าเราไม่มีโอกาสในการเสี่ยวข้องกับผู้อื่นมากนะักเราช่วยตัวเองก็อย่าคิดว่าเราวิ่งดูดายอะไรทีจริงการช่วยตัวเองของเราของเราในตอนนี้ก็เพื่อพร้อมยื่อไปช่วยผู้อื่นในภายภาคหน้านะนก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ก็ให้คิดทั้ง จะคิดก็คิดทั้งสองมุมได้สิ่งที่เราเกี่ยวข้องนี้เราเกี่ยวข้องอย่างเป็นประโยชน์ตนหรือไม่เราเกี่ยวข้องอย่างเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือไม่นะเราสามารถทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปไดนะ้ถ้าเราภาวนาเป็นจริงๆเราจะจะไม่ดังเกียร ด, ด้านใดด้านหนึ่งให้ถือว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะเราได้ทั้งนั้นเพราะการภาวนาจริง กายกับใจอยู่ที่ไหนนั่นแหละอยู่ที่พิภาวนาแล้วนะอยู่ในถ้าอยู่หน้าผาหรือว่าอยู่ป่าหรือว่าอยู่บ้านที่ไหนก็เนะี่ยเรามีกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกตัวได้เรามีใจคิดนึกปรุงแั่งหรือสงบอยู่มันก็รู้สึกตัวได้เหมือนกันเนะี่ยถ้าเราพิพากนาแบบนี้มนะั้มันจะมีความอ ง, งอาจกล้าหารเนะี่ย อยู่ที่ไห น, ไหนก็ได้อยู่ที่ไห น, ไหนก็ได้ในโลกนี้เจออะไรก็ได้ในโลกนี้มันจะไม่กลัวมันจะไม่เกรงแต่ถ้ามีโอกาสก็อย่างนี้แหละก็มามาทักผ่อนการงานทักผ่อนสมองบ้างแล้วก็มาชาร์จแบตกับกันพดยปติตให้เป็ทนที่สสานที่ที่สงบเนี่ยหรือว่าอยู่ในกระแนมนิตร ท, ที่เ อ, อื้อเฟื้อสัปะยะกันก็มันก็ดีสามารถจัดการได้เนาะ เรายังจัดสรรไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นะก็ยังเงยอะแยะมากมายจัดสรรให้ตัวเองมาปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะถ้าเหนื่อยกายทางหน้าก็ค่อยจัดสรรกันใหม่นะแต่ถ้ากลับไปเผชิญทางโลกก็ยิ้มกับโลกไปเลยนะอย่าไปกลัวมันนะเจออะไรก็ใช่ว่ากันนะอย่าไปกลัวมันนะเราวางใจเป็นกลางๆไว มีสติคอยรู้ทันตัวเองในะแต่ละขนาก็พอนะมันเผลอไปบ้างมันล้มไปบ้างตั้งใจอะไรก็กลับมาตั้งใหม่นะเหมือนนักกีฬานะถ้าเก่งแต่ซ้อมแล้วไม่ลงไปเจอคู่แข่งไม่ลงสนามบ้างก็ก็จะไม่รู้ว่าตัวเองแน่จริงหรือเปล่านะหรือบางทีโดนเขาอัดมาบ้างโดนเขาสอนเชิงมาบ้างก็ทำให้เรารู้จุดอ่อนตัวเองพัฒนะนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ นักกีฬาที่ดีก็ต้องทั้งทั้งซ้อมขออยันซ้อมแล้วก็ไม่กลัวผู้แข่งนะต้องลองแข่งกันด้วยนักภาวนาที่ดีก็เหมือนกันนะอนะเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ซ้อมทันทีนะนะอยู่กับตนเองก็พลิกมีอสั้นไวดูลมหายใจดูใจคิดนึกทันทีนะเมืนะ่อเจอผู้คนเจอการงานก็เหมือนกับเราใช้ชีวิตจริงนะนะ ก็เหมือนกับสนามแข่งขันก็เผชิญหน้ามาเลยนะไม่ต้องกลัวแพ้ไม่ต้องกลัวล้มไม่ต้องกลัวไม่ดีนะอืมมันเป็นธรรมชาตินะไม่มีใครดีได้ตลอดไม่มีใครรู้ได้ตลอดหรอกนะ ม, มีแต่รู้แล้วก็กลับมาได้นะอย่าไปกลัวมันนะไม่ใช่เรื่องเหนื่อยวุ่นวายจนไปนะถ้าเราทำนะที้จิตใจเราจะมีความกล้าหาญแล้วกม็มีความเบิก บ, บานในทุกที่ที่อยู่นะ แล้วอืสุดท้ายนกักก็พวกเราก็พูดกันบ้างเป็นไงวันนี้เย็นสุดท้ายแล้วปฏิบัติเป็นยังไงกันบ้า ง, งหรือว่ามีคาถามอะไรก็อ่าแลกเปลี่ยนกันอ่าใครจะเล่าก่อนใครจะพูดก่อ น, นอ่า ก็ตอนแรนเหมือนจะมีลมเย็นมาเพราะคือมีฟังชอบเราก็เห็นว่าเราให้ค่ามีความชอบมันพอสักพักคึืบๆไม่มีลมอ่ะไม่ชาบเลยอุดผู้ฟังเราก็อ่ะเราให้ค่ามันกระอแลพอสักพักเหมือนฝนจะตกเดี๋ยวฝนตกเราจะลงไปทําวันได้ไหม มันเราให้ค่าตลอดแล้วักพักแล้วก็อืมจริงๆจิตเรามันก็อยู่เฉยๆนะมันก็เหมือนมีก็จมีสิ่งแวดลอมันผ่านมาแล้วเราก็เกิดความรู้สึกมันก็เกิดความคิดว่าอ๋อนี่หรอจิตอ๋รับสอนคือเขาก็อยู่ของเขาอยู่ดีทีเดีัวมันสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราก็เข้าไปไปกุ่ม่จอย่างเงี้ยค่ะมันมันคือเกิดความเข้าใจเองมันเกิดจากการคิดนะคะ ก็ก็ยอมพาใจเองหรือยอมคิดอ่ะยอมะแต่จริงก็เป็นประสบการณ์ที่เราเจอจริงๆนั่นแหละแต่ตอนที่เราเจอเราก็หลงไปก่อนแล้วค่อยๆมาสรุปบทเรียนมามาสรุปบทเรียนก็ดีนะอันนี้ก็ซีก็เป็นปัญญาที่ที่เกิดจากที่บังเอิญจังหวัดแบไม่ถึงชั้นชั้นงงสามบรรยากาศมันเข้ามาพร้อมกันคือยมันก็เลย ใช่ใช่มันก็เป็นแบบนั้นแหละก็เราลงไปที่จริงธรรมชาติมันก็เป็นของมันแบบนั้นเราสุขเราทุกข์เราชอบไม่ชอบก็ ค, คือคือความคิดของเราเองนะ <c oughs> ความคิดของเราเองเราก็จบเองอันนั้นก็ไม่ได้ให้มันเห็นแบบนี้บ่อยๆ่อยเห็นคนแต่ก่อนจะจะไม่เห็นคืออาจจะ คือจะเรียกว่าไม่เห็นก็ได้ก็ ค, คือว่าเข้าไปเป็นกับทุกอารมณ์เลยใช่ไหมมันลมพัดมาเอย่างตอนนี้ลมพัดก็สบายดีอยากให้พัดแบบนี้ตลอดนะนะอย่าได้มีลมร้อนเข้ามาแต่ธรรมชาติมันก็สแสดงล้วบางครั้งมันก็พัดบางครั้งมันก็ไม่พัดใช่ไหมมันก็เราก็เกิดความชอบไม่ชอบในใจซึ่งถ้าใจเราเป็นกายาจริงเออพัดมาก็รู้สึกสบายตัวสบายใจนะ แต่ก็มีปัญญาในการวางใจเออมันก็แล้วก็ทิ้งไปเลยสบายใจแล้วก็ทิ้งสบายใจแล้วทิ้งคือเนี้ยมันเป็นถ้าภาษาแบบอาจารย์พุทธทาท่านะคือพอเราเกิดเวทนาขึ้นในจิตใจ เ, เมื่อเกิดผัสสะเนี่ยกายเราเนี่ยมันผัสสะมาต้องกับรมมันเกิดสุขเวทนาขึ้นแต่ถ้าเรา ไม่รู้เท่าทันมันเนี้ยเราก็จะเกิดตันหาคือเกิดความอยากที่มันพอใจที่อยากให้มันเกิดอีกบ่อยๆเราก็ละที่ตัวตันหาเนะี่ยละที่ความอยากละที่ความอยากให้มันเกิดขึ้นอีกอันนี้แหละหรือกายเรากระทบกับความร้อนเราก็เกิดความไม่ชอบใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันนะตันหาก็จะมาแทรกทันทีอยากจะผลักใส่มันออกไปอันเนี้ยเราละที่ตัวตันหาละที่ความอยาก ความพอใจเขามไม่พอใจมันเป็นเป็นธรรมชาติของจิตที่มันที่มันเกิดขึ้นมาตามตามที่สัญญาเก่าที่เราจําได้ว่าอ้ออันนี้คืออาการที่เย็นสบายเกิดความสุขอันนี้อาการที่มันร้อนก็เลยเกิดความทุกข์มันเกี่ยวเนองกับสัญญาเก่านะอันนั้นเราก็เราไม่ได้ฝึกเพื่อรักสัญญาหรอกแต่เราฝึกเพื่อละที่ตัวตัณหาคือเหตุของความทุกข์เราก็มีละให้มันเห็นมันนี่บ่อยๆโยมแล้วเราจะเห็นว่า อะไรมันก็ไม่จิตเราเนี่ยเอาแน่ไม่ได้อย่างหมานัไอ้ดิก๊กบางทีมันน่ารักเราก็รักมันบางทีมันดือ้อเราก็ไม่รักมันเ <c oughs> ออเพื่อนเราก็เหมือนกันเออบางทีเขาดีเราก็รู้สึกเออมีความสุขบางทีเขายุ่งเขางี่เง่าเราก็รู้สึกไม่ชอบใจเราก็เราเห็นใจเราเนี่ยที่ไปให้ค่าในวัตถุ หรือว่าในนามมาตรฐาที่มันแตกต่างกันไปก็ดูเราจะไปยึดทั้งสองทั้สองด้านก็ไม่ได้นะความไม่แน่ก็คือว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหน้าเดียวตลอดมันสามารถพลิกได้ทั้งหมดนี่คือความไม่แน่ความไม่เที่ยงที่จิงความไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าสิ่งอื่นเท่านั้นนะที่เขาไม่เที่ยงใจเราเนี่ยก็ไม่เที่ยงใช่ไหมในวิมารมาตรฐานของใจเราไม่เคยมีจริงๆหรอกนี่อี เราบอกเราเคยรักคนนี้ที่สุดแต่เราก็ที่จริงถ้าดูใจเองจริงบางคนเดี๋ยวก็เคยเกลียดกันแล้วหรือว่าบางครั้งมันก็เฉยเฉยใช่ไหมฮะเราก็เห็นนะออมันไม่ได้รักเท่ากันตลอดอกนะมันเปลี่ยนไปความไม่เที่ยงคือไม่ใช่ว่าบางทีก็พัฒนาขึ้นบางทีก็พัฒนาลงเนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนี้เราก็ดูนแบบนี้ย <c oughs> มีอะไรเองไหมบางทีมันเหมือนทำ เขาทำไปเรื่อยๆแล้วมันเริ่มเหมือนเกิดปัญหาแล้วพอเรารู้ทันตัดตัดได้ปุ๊บคือบางทีมก็จะแตะแตะได้โเบาบางทีก็จะแตะแตะอารมณ์ที่เข้ามาได้หนัหนกก็ตัดได้เร็วตัดได้ช้าก็ ค, คือเหมือนต้องทําไปเรื่อยๆสร้างให้สติมันสร้างกําลังให้มันเข้มแข็งขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยอือใ ช, ใช่ใช่ม่มีแต่วิธีการต้อง สร้างสติฮะพระพุทธเจ้าสมบอกสติป็นฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่ที่เราต้องหมั่นให้เกิดสติขึ้นมาก่อนเมื่อมีเมื่อมีสติสติจะคุ้มครองกายใจเองอืมันไม่มีวิธีอื่นที่จะที่จิทางนี้เป็นทางที่ตรงที่สุดนะแ ต, แต่บางคนบางทีภาวนาไปแล้วคิดว่าแบบไม่ถึงนะบางวิธีนี่บอกทิ้งไปเลยปล่อยไปเลย อะไรเนี่ยมันบ้างมันวางอย่้วมันก็โดยดักการน่โดยมันก็ถูกแต่แต่ถ้ามันไม่มีวิธีการมันไม่สามารถที่จะมาถึงตรงนี้ได้หรอกเหมือนหน้าผาแล้วเนี่ยเรจะไปขึ้นหน้าผาจากตรงจงที่ชันชันมันขึ้นไม่ได้เราต้องค่อยๆอ้อมขึ้นในที่ที่มันเดินขึ้นได้อันั้นผลของการภาวนานะมันมันไม่สามารถที่จะคิดเอาแล้วก็ ดอกจิตว่ามันออมันก็เป็นแบบนี้แหละนะธรรมชาติก็เป็นอันนี้จังทุกขังหน้าตาแบบนี้แหละธรรมชาติก็ไม่ต้องทุกข์อยู่แล้วจิตเป็นประสอนอยู่แล้วแหละอันนี้ถ้าเราไปคิดสอนจิตแบบนั้นนะมันเหมือนเราพยายามจะขึ้นหน้าผาขึ้นผาเนี้ยทางทางที่มันชันชันทางที่มันไม่สามารถขึ้นได้โดยการเดินมันไม่สามารถเป็นไปได้มาจจะคิดได้นะมองไกลๆแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะยาก แต่พอค่อยจิงมันไม่ได้แต่การเจริงสติเนี่ยแม้เราจะเดินทางาเหมือนจะอ้อมหน่อยแต่จริงมันก็มีวิธีเดียวที่เราค่อยๆฝึกษากายฝึกษาใจไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ถึงถึงจุดหมายปลายทางของมันเองเนาะอยากเลก็มันมันก็ถูกอยู่ยแล้วหละที่เราทําเปลี่ยนแต่ต้องอาศัยฝึกให้มันจิตจนเป็นสติเป็นอัตโนมัติจ น, นกระทั่ง แม้ไม่ต้องมีความจงใจเนี่ยสติมันก็เกิดขึ้นเองทุกครั้งที่เคลื่อนไหวสติก็รู้ทันเองหรือว่าทุกครั้งที่ใจมันเผลอคิดนึกปรุงแต่งไปสติมันก็ตามรักษาใจของมันเองเี่ใหม่ๆมันเหมือนเราต้องคอยพยายามพยายามสร้างสตินะแต่ต่อไปแต่สติมันมันสร้างของมันเองมันผลิตของมันเองโดยธรรมชาติ เหมือนเราปลูกต้นไม้บางทีปลูกต้นไม้แรกๆ ก, กวดต้นไม้จะโตต้องคอยรักษาดูแลเขาแต่พอเขาโตแล้วเขาดูแลแต่เองได้เขาขยายเมล็ดพันธุ์ของเขาได้เองได้อันนี้สบายละสติก็เหมือนกันนะมันก็พยายามฝึกบ้างในช่วงแรกๆ แ, แต่ก็อย่าไปเคร่งเครียดกับมันพอฝึกไปเรื่อยๆมันก็พัฒนาไปเองยมนะแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องแยบคลายด้วยเหมือนกัน แยบคายด้ยเหมือนกันว่าการพัฒนามันมันยังถูกทิ่ถูกทางไหมบางทีบางคนก็บางคนคิดว่าฝึกไป น, น, นานๆเดี๋ยวมันดีเองแต่บางทีทำแบบไม่รู้ว่าตัวเองทำแบบจงใจเกินไปหรือว่าไปประคองเกินไปหรือบางคนติดสมาธิแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองติดสมาธิก็แช่แบบนั้นหรือว่าก็ยังอยู่ในตรงนั้นหลายปี ก็ไม่ไปไหนต่อถ้าจะแยบคายก็แยบคลายตอนนี้ว่าเอออันเนี้ยเป็นสติที่เป็นสัมมาสติจริงๆเนาะสัมมาสติเขาอย่างที่เราเคยสวดอ่ะเห็นกายในกายนะ่ะเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมถอนความพอใจและความไม่พอใจในในรูปในนามเนี่ยได้เนี่ยก็คือสัมมาสติแล้วก็ต้องมีสัมมาสมาธิจริงๆริงเลยนะนะ่ะ ไม่ใช่มีเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิคือจิตที่แค่สงบแล้วก็นิ่งๆขี้เกียจไม่ได้อยากรู้อะไรนะแต่มันต้องเป็นสัมมาสมาธินะก็คือจิตที่มีคุณภาพนะจิตที่ควรแก่การงานจิตที่ตื่นตัวนะี่ถ้าเราจะแยกพายก็แยกพายดูตรนี้โอจิตมันตื่นตัวไหมนะสงบแบบตื่นตัวไหม มันดูเนื้อดูตัวแบบเป็นผู้ดูไหมหรือว่าเข้าไปแค่อยู่เนี่ยถ้าถ้าถ้าเดินถูกทางแล้วเป็นเป็นสัมมาทั้งสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยก็รวมถึงมรรคองค์อื่นเขาก็เดินตามตามสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่เหมือนกันแหละทุกอย่างมันก็มันก็จะเนื่องไปด้วยกันแล้วก็อาศัยแต่เน่ค่อยๆเดินไปเหมือนวันนี้เราเดินมาเนี่ยมีแม่ชีนํามา ก็เดินมาเรื่อยๆนะไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็มาถึงตรงนี้ได้นะก็ต้องอาศัยเวลาสะสมมาเรื่อยๆจะโยมสงสัยเอยอะนะอ <c oughs> <c oughs> ่สองสามคนที่สงสัยไหนก่อนก็จ ะ, ะ, ะ, ะรายงานว่าวั น, นแก้ง ม, งมีทิชแก้งงูให้ตัวเอง <c oughs> ก่อนจะทานข้าวตอนกลางวัน อ็มียังยังง่วงอยู่เล็กน้อยก็มีไปถ้าไม่หายง่วงจะไม่กินข้าวหายง่วงเลยค่ะหายง่วงประมาณสิบโมงครึง่งถ้าไม่หายง่วงจะไม่จ ะ, จะไม่ถ้าจะไม่กินข้าวประมานจนถึงเที่ยงไม่ง่วงลแล้วพยายามหาวิธีให้ตัวเองอืมจะดีบางทีมันก็นี่นะนั่งที่มินเมยสักหน่อยนะเนี่ยจะ เดิในที่มินเมนนะจิตมันก็กลัวมันก็มีความง่องที่จริงจิตมันจิตมันขี้ขาดจริงๆ น, นะอืมคู่นิดนึงก็แนั้นแหละแต่จริงก็บางทีก็เป็นอุบายก็ได้ยอมบางทีอือาหารอะไรมันหนักท้องเกินไปแล้วก็ละละเอไปมันก็จะช่วยให้เราภาวนาได้ดีขึ้นะบางทีถ้าเราก็อันนี้ก็เป็นอุบอายช่วยนะเรื่อง เรื่องอาหารเรื่องการพักผ่อนเรื่องอะไรต่างๆแต่ก็อย่าไปปฏิเสธมันนะยอมทีแม้เราจะทําถูกกระดักหรือว่าเราเคยทําแบบนี้แล้วมันมันนิงง่วงแต่บางครั้งมันก็ง่วงของมันเองก็ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปเครียดมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนึงดูให้มันเป็นเหมือนเป็นอาการหนึ่งที่มันสแสดงเฉยๆอย่าไปอย่าไปอะไรอย่าไป วิตกกิจจังกับมันนะมันก็เป็นอาการหนึ่งแต่ก็ดีแล้วแหละเราก็เรียนรู้ศึกษาก็ไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นว่าไม่แต่ความง่วงมันก็เอาแน่เอนอนไม่ได้เหมือนกับบางคนบาทีภาวนาไปแล้วกลางคืนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยอะไรนะมันถึงมันตื่นก็มันเองแะไรนี้ก็มีเราก็เห็นถ้าจิตใจเราก็เออมันก็เป็นคล้ายๆแล้วก็มองไในลักษณะมันเอาแนมอนอนไม่ได้บังคับไม่ได้เนาะ ก็แค่ต้องยอมรับมันยอมรับอย่างที่มันเป็นนั่นแหละถ้าเราไม่ยอมรับเราทุกข์เองนะแต่ถ้ายอมรับอย่างที่เขาเป็นนะมันก็ไม่ทุกข์มันก็มันก็เป็นของมันแบบนั้นแหละเหมือนหมาเน้ยนะบางทีมันก็บอกได้บางทีก็บอกไม่ได้มันก็มันก็เป็นธรรมชาติของมันจิตก็เหมือนกันนะมันก็อนแน่อานอนไม่ได้นะก็ดูไปบางทีถ้ามันสงสัยมากมากก็ สงสัยอะไรก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้จิตก็แค่รู้ทันว่าจิตมันสงสัยนะแล้วก็เห็นมันสงสัยมันเป็นเรื่องของจิตสงสัยไม่ใช่เราสงสัยหรอกถ้ามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรก็ไม่ต้องไปกังวลมันก็ปล่อยมันเลยไม่รู้ก็ได้บางทีปัญญามันไม่ใช่เกิดจากการรู้อะไรมากๆแบบเข้าใจแบบทางไปยัดมากๆเนาะแต่จริงปัญญาจริงคือ ดับทุกตัวเองได้นะกลับมารู้สึกตัวได้อันเนี้ยคือปัญญาจริงๆเลยนะแค่แก้ไขทุกไดนะ้กลับมาเป็นปกติได้นี้เป็นปัญญาที่บางทีไม่เกี่ยวกับใครว่ารู้มากเรียนมากหรือภาวนา ม, มากหลนะือไมมันเกี่ยวกับเราพอฝึกมากๆตัวนี้มันก็จะวางได้ง่ายความความคิดก็ไม่ได้ผิดความสนัยก็ไม่ผิดอะไรหรอกนะมันก็เป็นธรรมชาติของจิตของเรานะก็อย่าไป ไมคนทาไมเราสงสัยมากเพื่อนสงสัยน้อยก็อย่าไปเปรียบเทียบเขานะ <c oughs> ก็เป็นคล้ายๆเจดิตของเราเป็นแบบนี้มันก็ดูรวงเกิดขึ้นแบบนี้หลายบางคนเจดิตขี้หงุดหงิดง่ายก็จะไปหงุดหงิดตัวเองซ้ํำนะบางทีเราเป็นพวกโ ท, โทสะจดิหตหงุดหงิดหรือว่าลาคาญใจโกร่ง่ายแบบนี้ก็เราก็ดีเออดีเราจะได้รู้ทันออาการห ง, งิดที่มันเกิดขึ้นบ่อยอืม <c oughs> หรือบางคนก็ ลงใบนะลงไปเรืนะ่อยเลื่อยคิดฟุ้งซ่านไปครับคนอื่นเขาอาจจะไม่ลงใบไม่เป็นไรแต่เราลงใบเราก็จะได้ดูอ๋อจิตมันลงใบนะจิตมันลงใบนะก็ดูไปมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันอ <c oughs> ใครพูดต่อ เ่อมีความคือบางทีที่ปฏิบัติเนี่ยคือสังเกตตัวเองหลายครั้งแล้วว่าคือมันเหมือนกับมันมีสิ่งในอดีตเนี่ยมันแวบขึ้นมาอย่างเช่นเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันแวบขึ้นมาแล้วมันก็จะเหมือนกับมันไม่มาแค่แค่รูปแค่ภาพเหตุการณ์แต่ว่ามันก็จะมีกำกับมาด้วยว่า อันเนี้ยเราไม่ชอบเราโกรธหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเช่นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางทีเนียมันก็แวบขึ้นมาว่าเอครั้งที่แล้วเราไปปฏิบัติที่โน่นแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมันก็จะเหมือนกับรู้ว่าครั้งที่แล้วที่เราทำแบบนั้นเนียมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันมันเป็นเรื่องของความหลงนะมันเป็นเรื่องของการเพ่งนะมันเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ย คือเหมือนกับย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เก่าๆแล้วมันก็จะบอกว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันยังไม่ถูกมันไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืะอจิต ม, มันคิดขคำมันเองใช่อะไรก็ถ้าจิตคิดขคำมันเองก็ปล่อยมันเะก็แค่เออมันไปคิดถึงเหตุการณ์นั้นอีกแล้วคิดถึงประสบการณ์นั้นอีกแล้วก็ก็คือแต่ตอนเนี้ยคือบางทีมัน ความคิดเท่า น, นั้นมันเหมือนมาดีนะเหมือนคล้ายๆมาเตือนเราว่าเอ อ, อนนี้คือคือเพ่งไปเนาะอันนี้คือลงไปเนาะมันเหมือนตอแรกมันเหมือนมาเตือนนะแต่ถ้าเราไปไปลงสงสัยหรือไปลงไขวควนกับมันเนี่ยมันมันก็คือชวนเราไปคิดต่อไปคิดหายเกิดคนกับมันต่อแล้วก็แค่รู้ว่ามันคิดแล้วก็แล้วก็วางไปเลยฮนะมันแม้จะเป็นการทบทวน ประสบการ์แบบนั้นก็จริงนะแต่ เ, เราก็ก็รู้ละแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่เป็นไรอ่งหนึงน่งคือ <c oughs> ยมรู้สึกว่าแบบอย่างเรื่องของความรู้สึกตัวหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะคือมันเหมือนกับว่าเอ๊ะครั้งที่แล้วหรือครั้งก่อนๆที่ปฏิบัติเนี่ยเราก็เรียกเราก็เหมือนกับว่าเรารู้สึกตัวนะแต่ว่าพอปฏิบัติหลายๆครั้งครับหลายๆครัง้งเข้าเนี่ยรู้สึกว่า ความรู้สึกตัวครั้งนี้กับคำรู้สึกตัวครั้งแล้วมันไม่เหมือนกันนะเหมือนมันมีหลายหลายดีกรีหลายระดับน่ะเจ้าค่ะก็เป็นความจริงยองแต่แต่เวลาเราสอนเวลาเระบอกก็ไม่อยากจะไปแยกแยะอธิบายมากเพราะว่ามันมันอะไรเนาะคนฝึกใหม่ๆหม่รู้แบบนี้ก็ถือว่ารู้สึกตัวก็ใช่อยู่ฝึกนานๆไปมันก็จะ มันก็บางทีก็อาจจะชัดขึ้นละเอียดขึ้นหรือว่าเบาขึ้นมันก็มีมันก็ถูกเหมือนกันโยมแต่บางทีถ้าเราไปถ้าเราไปแบบว่าพยายามบอกไอ้รู้แบบเนี้ยมันไม่ถูกมันบางทีมันมันยากกำหรับคนใหม่ก็มันก็ถูกแบบคนใหม่นั่นแหละแต่พอฝึกไปเรื่อยแต่จะเห็นว่าอ๋อมันยังมีอาการเพลงนิดนึงนะอะไรนะหรือประคองนิดนึงนะซึ่งเราจ็ด เราจะเห็นเองว่าอ้อเราผิดตรงนี้เราเราจะถอนเองเยอะเลยแล้วก็มันมันมันมันฉลาดขึ้นเนาะมันก็จะรู้เองว่าอ๋อที่ผ่านมามันมันผิดเองซึ่งตรงนี้เป็นครูที่สอนแต่เองสอนแต่เองจซึ่งแต่ถ้าเราไม่เคมีประสบการณ์ไม่เคยฝึกมามากๆมันมันจะมาถึงตรงนี้ไม่ได้ยอมเพราะว่าไอความรู้สึกตัวที่มันพัฒนาขึ้นเนี่ยมันจะทําทีเดียวแล้วก็ เขาถึงเลยมันเป็ น, ป น, ปนไปไม่ได้แต่มันก็อตอนนี้ก็ดูแบบนี้ไปก่อนแต่ต่อไปมันก็จะช่องว่างระหว่างตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันก็จะชัดขึ้นใจก็จะเป็นกลางมากขึ้นแต่ก่อนเราก็เป็นกลางแล้วนะแราว่ารู้นะแต่มันก็ยังมีเจือได้อะไรบางอย่างเยอะต่อไปเราเห็นว่ามันมีมีสภาวะนี้เจืออยู่ยังมีความอยากซ้อนอยู่นะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นกลางมากขึ้น ก็บางอย่างโยมรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่คําพูดมันอธิบายได้ไม่มันไม่สามารถสื่อออกมาได้ชัดเจนนะคะใช่มาก็มีโดยจะพูดยังไงเหมือนกันใช่ไหมใช่จริงค่ะมันอธิบายไม่ถูกมันไม่รู้วิชามันจะเลือกคำมันไม่มีคําให้เลือกมาอธิบายนะคะใช่แต่ใจมันสามารถสัมผัสได้เนะว่า สัพพว่าแบบเนี้ยที่มันมันดูถึกตัวจริงๆอะไรนี่มันมันแต่จริงตอนนี้เราก็ว่ามันดูจริงๆนะครั้งหน้าอาจจะครั้งหน้าก็อาจจะเห็นว่ายังมีอะไรเกี่รวยอมไหซึ่งอย่างงั้นเลยเจ้าค่ะอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยนะคะแต่มันไม่ได้ผิดอะไรนะไม่เสียหายมันมันเหมือนมันก็เราก็พัฒนาไปเรื่อยวมันมันที่จริงก็เหมือนตอนเราเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นน่ะตอนเราเริ่ม เป็นวัยรุ่นอะไรเร า, ารู้สึกกากรนมั่นใจตัวเองเนะเรียนจบก็มั่นใจมากพอมาทาํางานจริงๆมันจะรู้ว่าเรายังหลงยังไม่รู้อีกเยอะภาวนาไปนะไอใหม่ใหม่มันหนืนเราเก่งเราดีเราพัฒนาขึ้นแต่พอภาวนาไปเรื่อยมันจะเห็นไอ้ตัวไอ้ตัวหลงไอตัวไม่ดีไอตัวที่เรายังโง่อยู่เนะี้ยมันยังอีกเยอะแยะมากมาย ภาวนาไปแล้วเหมือนแทนที่มันมันจะเป็นเหมือนปัญญาทางโลกนะที่มันฉลาดมากขึ้นได้ความรู้มากขึ้นแต่จริงภาวนาไปมันกลับกลายมาเห็นความไม่รู้ของตัวเอง <c oughs> ดีแล้วมนาะตอนนี้แหละแต่ก็อย่าอย่าอย่านิ่งนอนใจก็ค่อยๆดูไปเรื่อยแล้วจิตมันจะเกิดความฉลาดของมันเอง เ น, นินต่ออ่อามาภาวนาครั้งนี้ที่นี่ได้ทดสอบจิตใจตัวเองอได้ทดลองดูว่าเนี่ยเรากลัวความมืดไหมแล้วคือมาสองคืนแรกนี่ยังพอทาบาปเย็นเสร็จ ก, ก, ก็กลับเข้าห้องก็คือภาวนาอยู่ในห้องปฏิบัติอคือจุดเทียนตั้งจังหวะอยู่ในห้องอ ไม่กล้าออกมาไม่กล้าออกมาสอบตากับความเมื่อยเลยเวลาดึขา ง, ขางข้ามเข้าห้องน้ําก็โอรู้สึกออกมาแล้วเย็นวบบ่าคือจิตมันไปปรงแสงอย่างค่ะโอ้ทำมมันรู้สึกเสียววาบเลยพออะวันที่สามก็ตั้งใจเออคืนนี้จะลองดูนะจะอยู่ข้างนอกดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ได้ทําคือสามคืนสามคืนหลังมานี้ก็ได้อยู่ตลอดก็สลับอยู่หน้านั่งหน้ากุศินะคะ จุดเทียนไว้ก็ดูดูความมืดมันค่อยค่อยมืดมากขึ้นมากขึ้นพอคืนที่สองก็เป็นนั่งอยู่ตรงฝั่งศาลาหอฉันนะคะอตืตรงนั้นก็มองสบตากับความมืดก็ก่อนที่จะแบบพอเทียนมันใกล้จะหมดแล้วก็ลองดับไฟดูโดยที่แบบให้มืดสนิทโดยที่ไม่เปิดไฟฉายไม่อะไรด้วยก็อืมก็อยู่สองสามนาทีดูว่าเราจะรู้สึกยังไงไหมช่วงที่ภาวนาอยู่ในความมืดนี่ มันก็ได้เห็นนะแม้แต่ใบไม้ซึ่งมันมันแทมันไม่มีน้ำหนักอะไรมันหล่นใส่ท้งครับเราก็รู้สึกคือเสียงมันดังมากพอโห่ฮููเราก็ทบเสียงอะไรเนี่ยมันใจมันจะเห็นเลยว่ามันมันไหวนะแล้วแล้วมันก็ส่งส่งปฏิกิริยามาทางที่ร่างกายว่าอุ้ยขนลุกสู้เสียวว่าคือจิตเราไปปรุงแต่งพอเรารู้ก็เออกลับมาอยู่กับอยู่กับตัวเองมันก็ อย่างลมพัดตอนกลางคืนมันก็เออใช่ว่าใจเรามันก็ไม่เที่ยงเนาะถ้าเป็นกลางวันเราก็คงชอบมันเย็นสบายดีแต่พอเป็นกลางคืนแล้วเรากลับรู้สึกว่าไม่อยากจะให้มีลมมาเลยมันเสียววูบยังไงประหลาดเหมือนนั่งช่างใจเนี่ยนั่งอยู่ที่ตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าขนาดนี้เรานั่งคนเดียวเราคงไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าเออนั่งมีหลายๆลายคนอะไรตรงนี้เราก็อุ่นใจเออมันสบายนะมันสวยงามนะ แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้อะคะอ่ะก็ยังเมื่อคืนพอหลังจากสร้างจังหวะอยู่ข้างนอกแล้วก็เข้าไปข้หลังจากนั้นเข้าไปในกุฏิก็ปิดปิดไฟคือไม่จุดเทียนไม่เปิดไฟฉายแม้ไรลองลองดูว่ามืดสนิทเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันจะมืดแบบ เมื่อจริงๆไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตามันความเมื่อเท่ากันคือถ้าอยู่ที่บ้านยังไม่มีโอกาสที่จะคืออยู่ในเมืองมันไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสนี่ถึงแม้ว่าบ้านเราจะไม่เปิดไฟแต่ว่าแสงข้างนอกแสงถนนแสงอะไรมันก็มันก็ยังทาให้เราเรามองเห็นได้ลางๆอะไรเงี้ยค่ะเออแต่ที่นี้เออมันเมื่อจริงๆก็ๆก็นั่งสร้างจังหวะอยู่พักหนึ่งดูว่าดูดูใจตัวเองว่ารู้สึกยังไงแต่ว่า ในความเมื่อแบบนั้นคือเราอยู่ในกุฏิเราก็เราก็รู้อยู่ว่ามันปลอดภัยทุกอย่างเพราะว่ามันมันมันเป็นห้องขับมิจิตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนอยู่ข้างนอ ก, เ ร, กเราก็เราก็ระแวงไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก็กลับมารู้สึกตัวบ่อยๆจิถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ก็ก็มานึกถึงตัวเองว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้ฝึก แบบนี้เนี่ยคือจิตมันไม่มีที่อยู่มันก็คงแบบบ่งแต่งไปเรื่อยมันเห็นอะไรเป็นเงาเป็นอะไรตะกุ่มตะกุ่มมันก็ปรงไปเรื่อยแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเออเคืออาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือกลางวันเราเราเราได้รู้จักทุกสิ่งรอบตัวเราหมดแล้วเราได้เห็นหมดแล้วว่าเออไอนี้เป็นอะไรอยู่ตรงไหนมุมนี้คืออะไรอะไรเงี้ยพอตอนกลางคืนเรามองไปล้วก็เราก็ ไม่ไม่ไม่ได้ไปคิดเป็นอย่างอื่นว่ามันมันมันเป็นอะไรอะคะ่ะถ้าถ้าถ้ามาคืนแรกเลยนั่งนั่งสร้องอางจังหวะในความมืดเราคงจะแบบเ อ, เ, อนนอเอ๊ะไอ้นี่อะไรเอ๊ะอนี้อะไรนะคงจะคงจะกลัวมากกว่านี้ ก, ก็ก็ได้แต่มันมันก็ยังกลัวๆอยู่นะมันก็ยังแบบเหมือนกับเวลามีเสียงอะไรเนี่ยมันก็จะเสียวเสียวว่าเสียก็คือแบบจิต mm hmm. <that> ใจมันมั น, ม, นมันไหวมันกระตุกอะ่ะมันกระตุกแล้วกายมันก็แบบเออรู้สึกขนลุกสู้อะไรนิดนึงก็แต่ก็แต่ ก, แก็เป็นโอกาสอันดีเพราะว่าคือครั้งนี้เรียกว่าเป็นการเข้าปฏิบัติที่แบบว่าอยู่กับตัวเองเข้มข้นมากๆเพราะว่าคือมันไม่เห็นใครอยู่ยแบบเดี่ยวจริงจริงเพราะว่ารอบๆอบนี่เป็นเป็นป่าเป็นความมืดเป็นอะไรซึ่งเออ ผ่านมาแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเก็บอารมณ์แต่ว่ามันก็ยังได้ยินเสียงบุคคลข้างนอกเสียงบางทีเราก็เออยังเห็นคนอื่นอยู่นอกห้องอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้นี่คือเราได้ทดสอบตัวเองว่าเนี่ยถ้าเราเราอยู่คนเดียวแบบนี้เนี่ย สอนในกรุงเทพเ น, ะพ น, ะนาะจะสอนภาวนาในห้องแอร์เนี่ยสบายสบาย <c oughs> เดินก็เดินกันในห้องแอร์นั่งกันในห้องแอร์ถ้จะออกไปข้างนอกก็เป็นตรงที่ลมเย็นสบายเ่ะมันก็มันก็ไม่เห็นมันก็มีเพื่อน ม, มีมีปฏิบัติเยอะแยะมากมายก็มีกําลังเนาะแต่มันก็ดีนะเหมาะสําหรับการผู้ใหม่บ้างแล้วก็เหมาะสำหรับผู้เข้าไปชาร์จแบตบ้างแต่การขึ้นมาจุด คนเดียวจริงๆเนี่ยมันเห็นเห็นตัวเองชัดมากถ้าเราอยู่ที่บ้านเราเ็รู้สึกไม่ไม่กลัวเนาะคุ้นเคยคุ้นเคยพอเปลี่ยนสถานที่ก็เป็นกันทุกคนอะยองมามาอยู่ป่าใหม่ๆก็กลับจากทบบาวัดเสร็จก็เข้ากุฏินั่บงบริวารใ้กุฏิเหมือนกัน คือเห็นเลยว่าใบไม้มันหล่นนะใบไม้แห้งนะคะมันหล่นใส่หลังคาวูบทําไมเสียงดังมากแล้วมันก็หล่นลงฟืนปุ๊บคือคือมันมันอยู่ตรงข้างหน้าเออเห็นว่าโมมันมันดังขนาดนี้แต่บางทีก็คิดถึงว่าเสียงนกหรือเสียงสัตว์อะไรที่มันมันดังก็ก็คิดว่าเออมันก็ดีเนาะถ้าไม่มีเสียงเหล่านี้เสียงสัตว์เหล่านี้นี่มันถ้าแบบเงียบสงัดจริงๆมันอาจจะน่ากลัวก็คือบางทีเราก็เอาเสียงพวกนี้เป็นเพื่อนเราไปเลยว่าเออ อย่างน้อยก็มีสิ่งมีชีวิต อ, อื่นๆที่ยังยังเปือนอยู่อะคะ่ะล้วก็ฝึกดูความกลัวในใจเรานี่แหละอามาว่ า, ามามองเป็นเป็นมรนานุสติอย่างหนึงห่งนะเพราะจริงความกลัวที่สุดก็คือความกลัวตาย ค, ความกลัวเราตายตาก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่เห็นไม่เห็นความกลัวในใจิตใจของตัวเองจริงๆรอะ่ะ ตัวแบบสุดๆ ม, มันยังไม่ได้ออกมาก็ เ, าเหมือนกับว่าเราเราก็มาสองคุ้นเคยกับสถานที่ระดับหนึ่งแล้วอะคะอ่ะก็บางทีก็อย่างนี้แต่บางทีบางทีแล้วก็ต้องอย่างพระที่ก็อยู่ในขุดตีในป่าเริ่มคุ้นเคยแล้วออกไปอยู่ป่าช้าบ้างหรือว่าออกไปอยู่ในป่าเขาที่มีสัตว์ดู่ร้ายบ้างเ น, นี่ยก็มือนก็ได้เห็นตัว น, นี้มาว่าก็เหมือนคล้าย บางทีพอเราอยู่ในที่ในคุ้นเคยมันก็อยู่ได้นะสบายแต่พอเราเปลี่ยนสถานที่บ้างก็มันก็ทําให้อเมาก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งนะฝึกอย่างหนึ่งก็บางทีถ้าเราแค่ภาวนาอยู่ที่บ้านหรือที่คุ้นเคยมันก็เราจะรู้สึกว่ามันก็โอเคนะแต่พอมาเห็นว่านะมันได้เจออารมณ์ใหม่ที่ที่เราไม่เคยเจอเนี่ยอเม้าก็เป็นประสบการณ์นอนี่ยโยมนะค่อยๆก็ลองมาฝึกไปบ่อยแบบนี้ หรือมีโอกาสไปที่อื่นเออวัดไหนก็มีป่าช้าลองไปภาวนาตรง น, นั้นบ้างแต่มียคืนหนึ่งก็ลองแบบว่าคือนังน่งนั่งนั่งอยู่ในในกุฏินัง่งหน้าประตูแล้วก็ก็มองไปข้างนอกซึ่งมืดมิดเลยก็แบบก็คิดในใจว่าเออเนี่ยจบตาของความมืดนะฉันจ ะ, ะเผชิญหน้ากับเธอว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ตอนแรมกมันก็เออแบบว่าแต่ว่าทำคือคื อ, คอไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้นานมากอะคะ่ะก็แบบอ่ะโอเคเลิกมันก็คือแบบ ใจตัวเองแล้วว่าเออรู้สึกประมาณไหนระดับไหนอะไรเนี้ยค่ะ mm hmm. แต่วันนี้วันนี้ตลอดทั้งวันนี้วันนี้รู้สึกอาการมันมัวอากาศมันมัวซว ย, ยังไงไม่ทราบรู้สึกว่าเออจิตใจเราก็เราก็แบบกดหูเนาะจิตใจก็มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยตืินรู้เท่าไหร่ค่ะรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยสติไม่ไม่นั่นต่างจากตอนนี้ไหมต่างจากตอนนี้อากาศสบาย <c oughs> ก็ไม่ได้ยอมก็ยอมรับอย่างที่มันเป็นเลยมันมันมัวตัวมันไม่โป่งไม่ชัดบ้างก็เออก็รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละเหมือนเราเนี่ยมันไม่ใชยสว่างก็ก็เอาอย่างนี้แหละไม่ต้องไปคิดว่าอยากให้มันสว่างตัวนี้อยากให้มนือตัวนี้จิตใจของเราก็เหมือนกันนะเรายอมรับอย่างที่มันเป็น รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละจิตมันมันเป็นเขาเรียกว่ามันไม่มีความอยากเข้าไปเจือเราก็ไม่ทุกข์ละแต่ถ้าเราอันนี้มันดีเขาอยากให้มันดีต่ออันนี้มนไม่ดีอยากให้มันหา ย, ยาน่ะอันนั้นก็มันเยัไม่ใช่พิพิธนาจริงๆนี่ไม่ชีนี่มีประสบการณ์ความกลัวเยอะแลกเปลี่ยนไหมทําไง ตัวผีตัวใก กีก็เาไปหาดูเลย <laughs> นี้สําคัญที่สุดเดียวถ้าเราเนี่ยเป็วิธีฝึกแบบแบบเราฝึกพระฝึกคีเลยนะไม่ไม่ใไม่ใช่แบบฝึกแบบเข้าคอร์สไม่ใช่แบบฝึกไม่ใช่แบบแบบเข้าคอร์สพาพาปฏิบัติพาเรยให้แบบนั้นมันก็ก็ดีแบบเบื้องต้นน่อยนะมันจะต้องผ่านแบบนั้นมาก่อนใชใช่ก็ดีแบบเบื้องต้นก็มันก็จําเป็นสำหรับผู้ใหม่ๆบา ถ้าเราพู้เก่าแล้วก็ต้องแบบนี้แหละแบบไม่ต้องคอยให้ใครมาคอยจําชี้ช่ำชัยคอยมาดูเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราจะเราจะติดท่านแบบเราจะภาวนาเป็นเวลาเหมือนทํางานทํางานแล้วก็เริ่มภาวนาแล้วก็เลิกเลยนะแต่ถ้าเราภาวนาแบบนี้นะมันจะมีตัวกระตุ้นตัวเองไปเรื่อยกระตุ้นตัวเองเฮ้ยเราขี้เกียจแล้วนะเออเดี๋ยวบางทีกี่เดโมเข็นมาล่อ ไม่มีใครมาเห็นหรอกไ ม, ม่ใครว่าอะไรหรอกอแต่ถ้าเรามีตัวนี้ยคอยเตือนเรามันก็จะตามเราไปทุกที่ทั้งมันจะคอยสะกิดเราเออรู้ตัวดีกว่าก ล, ลับมาเ ก, ก, กับตัวมันจะมันจะเพิ่มถ้าจะเรียกว่าเป็นเพิ่มวุฒิภาวะ ก, ก็ได้อือนิยมว่าอย่างนึ่งคือ ก, การอยู่ติอยู่ในป่าเยยนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยต้องมีสติอยู่คือเหมือน ทำให้มีสติอยู่โดยปริยายคือจะทําอะไรแบบขาดสติเนี่ยมันก็มันก็ลำบากถ้า อ, อยู่นานๆก็จะขาดสติด้มันจะพุ้นเคยคื อ, อตอนกลางคืนนี่ไม่มีง่วงเลยนะคะเพราะมันไม่กางง่วงมันต้องคอยะระวังมีอะไรเงี้ยแต่กลาวันจะง่วกลางคืนนี้ไม่ง่วงเลยด้วยความกลัวนั่นแหละเดแต่ถ้าพักหน่อยจิตมันจะคุ้นอ่มันจะคุ้นแล้วก็ เหมือนก็าเดียวอาทิตย์หนึ่งไม่มีอะไรแล้วไม่จะมีต่อไปก็จะไม่กลัวแล้ะ <c oughs> แต่ก็จะีิเกียตไปหรือว่าจะอย่างอื่นก็ไดแต่ก็แต่ถ้าเราค่อยกระตุ้นตัวเองนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเ อ, อีิเกียตประมาทไหมแล้วก็ค่อยกระตุ้นตัวเองกลับมาก็จะแต่จริงก็เบื้องต้นความกลัวความไม่รู้นะเนี่ก็เจบตัวทําให้เราไม่ประมาทได้เหมือนคนขับรถค่องๆใช่ไหม ขับข้องแล้วบางทีเราก็ อ, อประมาทคุยโทรศัพท์ก็ได้เออบางเพลงแล้วเราไม่เห็นเป็นไรเลยนะไม่เป็นไรแต่มันตอนนี้ไม่เป็นแต่ต่อไปม่ทราบจะเป็นก็ได้แต่จริงแต่ความหลงนี่มันตอนที่เราประมาทนี่มันก็หลงไปแล้วนะ <c oughs> ออก็ดีก็เนี่ยแหละเปลี่ยนที่ภาวนาบ้างก็จะทําให้เราเห็นอาลงจิตใจกะไรอย่านี เความอย่างเงี้ยคือความมืดชอบเวลาเห็นความหิวแรงๆแล้วดูแล้วตอนเห็นเราไม่เป็นผู้ทุกเนี้ยรู้สึกต้องมีเวทนาแรงๆแบบเนี้ยถึงจะถึงจะสติแหละคือตัวเองเคยไปอยู่หลังปฏิบัติหลังเมนมาแล้วอะค่ะพอมาเจอนนก็เลยแบบเฉยๆแล้วก็เดินยิ่งกลางคืนเนี่ยเดินเดินชิลมากเลยเดินได้เป็นชั่วโมงนั่งนั่งกลางคืนนี่นั่งไม่ง่วงแต่กลางวันเนี่ย อย่างบางวันอย่างที่บอกมีปัญหาเวลานั่งชั้นบางว่าอย่างเดินเนี่ยเดินได้เป็นชั่วโมงพอนั่งปุ๊บสิบนาทีเริ่มม่วงละทางนี้เดินนีสติดีมากมก็เลยสงสัยว่าตัวเองโคกสันดีหรือเปล่า <c oughs> ต้องหาเวทยานาแรงๆเลยนะ <c oughs> จนเมืองเชียงรู้สึกว่าติงนะถ้าไม่มีเวทนาให้ดูแล้วมันเหมือนสติมันไม่ตื่นก็ ที่จริงก็ต้องภาวนาให้ได้ทั้งทั้งหมดนั่นแหละโยมตอนเวทนามันก็ไม่สามารถจะแรงได้ตลอดออ ม, มันก็มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปทําให้ตามธรรมดาถ้าเราจะเอาแต่ตอนที่เวทนาหนักๆแล้วจะมีสติมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าเวทนาก็เป็นของที่เกิดดับเหมือนกันเราให้ระวาังใจเป็นกลางกับทุกอย่างหมายถึงว่าตอนเวทนาแรงเราก็จะมีสติ ดูมันให้ได้ตอนที่มันไม่มีไม่มีเวทนาแล้วก็แม้มันไม่ชัดเราก็รู้ว่ามันไม่ชัดแบบนั้นแหละมันก็จะทำให้จิตของเรามันมันได้ายๆมันมันเป็นปกติอยู่ไม่ได้ว่าลงไปชอบไม่ชอบอะไรเพราะว่าเหตุปัจจัยพวกนั้นเราไม่สามารถไปบังคับหรือว่าไปกำหนดได้ดังนั้นแต่ถ้าเราแต่สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้กันมันน่นก็คือเราเป็นปกติได้กับทุก ทุกเวทนาไม่ว่าจะสุขหรือว่าทุกหรือว่ากาลางกลางเราก็ดูมันในที่มันเป็นอไม่ไม่จะคือเราไม่ต้องพยายามบางคนพอพอรู้สึกแบบนั้นอะแล้วมักจะไปพยายามทําให้ตัวเองแบบอยู่ในอาการที่มันทุกข์มากๆากอมันจะเกิดเป็นใช่มั น, นจะกลายความอยากเัญหาไปหรือบางคนเนี่ยยกแม้แต่สายยกมือนมาสังเกตบางคนเห็นมักทํารงแรงบอก ทำแรงมันไม่ชัดดีก็ใช่อยู่ก็ใช่อยู่แต่แต่มแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมันติดความชัดใช่ไหมไปติดความชัดนนะมันก็กลายเป็นต้องทำงแรงทุกครั้งไป น, นะอืมแต่จริงเราทําแรงๆเพื่อแก้ลมบางครั้งขนาดแล้วก็ขับมาทําปกติแบบเนี้ยมันก็ยังเพิ่การทําแรงก็ไม่ใช่เพราะว่าเปิดชอบใจแต่การทําแรงเพราะว่าแก้แก้ควมง่วงเรืออะไรนั่นไปเจฉย เนี่บางทีนักภาวนาะไม่รู้ตรงนี้แล้วก็เออแบบนี้มันดีอย่างมาฟังครั้งอารมณ์เนี่ยยกมือเร็วๆมันรู้สนุกดีจิตก็ไปติดความสนุกความเพลินไม่รู้ตัวว่าจะเองไปติดแล้วเนี่ยอั น, นั้นนะแต่ก็ต้องต้องดูทานตรงนี้ไม่เกี่ยหรอกนะไม่มีเสด็จสาดิดอะไรหรอกนะ <S <S> <S แต่คิดแต่ว่า แต่ก็มีว่างบางครั้งอย่างบางบางคนเขาเรียกว่าเป็นเป็นทุกข์ขาปฏิปทานะเออ่ทําแบบทุกข์ได้ผลเร็วก็มีบางคนทําแบบทุกข์ได้ผลช้าก็มีก็ต้องสังเกตดูแต่ไม่ใช่แบบทุกข์ที่เราไปคล้ายๆไปพยายามที่ไปไปหมายถึงว่าเราจะต้องไปอยู่ในสภาวะทุกข์แบบนั้นตลอดก็ไม่ใช่นะบางที มันทุกเพื่อเอาไว้ดัดนิสัยตัวเองบ้างอย่างบางคนเออเขามีเนสชิเนยเพื่ออะไรบางทีเพาบางคนขี้เกียจบางคนง่วงนอนซึมเ้ามากลองดัดดูมันไม่นอนสักคืนเป็นไรไหมเนีมันก็ทาให้จิตมันเข้มแข็งขึ้นมาก็กทาแล้วค่ะส ก, กันไ่ไองคืนไหนกีนที่นี่หรือเปล่าไมเ่เคยเค ย, เย ท, ที่อื่นคืนติดกันเลยหลังนแคืนเขาทำมาแล้ว อันนั้อนคือไอ้พวกนี้เป็นการทดลองดูไม่ใช่เราเราก็ทดลองดูได้ว่าแบบมันมันมันส่งผลแบบไหนไหมบางคนอดอาหารอดแล้วก็เหมือนเหมือนกับกินนั่นแหละหรือบางคนอดแล้วมันดีกว่ามันก็มันก็มีมันมันกินไม่มันไม่เสมอกันอดอาหารก็ทำมาห6วันไม่ไม่ฉันไม่กินอะไรเลยเออดีลองเรื่องรู้สึกว่าตัวเองซาบดิหรือเปล่า ไม่หลับบางทีมันก็คือเราก็ลองดูโยมแล้วเราก็สรอปกับตัวเองเอาว่าอดอาหารแล้วเป็นไงภาวนาแตกต่างกับก่อนทานไม่อดนอนแล้วภาวนาแตกต่างกับตอนไม่อดใช่ไมไม่อดนอนไม่หรอแต่มาว่าถ้าถ้าสายหลวงพ่อเทียนจริงๆนะจะไม่ไม่เน้นไอตัวพวกนั้นมามาช่วยเท่าไรหร่หรอก เรเจะเน้นแบบเอาสร้างสติไปเรื่อยแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นปกติธรรมดา อ, อนอนเวลาประมาณเดิมตื่นเวลาประมาณเดิมกินอาหารพอประมาณนะั้นนะเพื่อสายลงวัเทียนจะเป็นมันม น, นันต้องอยู่ในสภาวะนั้นแล้วพอเหมาในชิลประจําวันมันมันจะไม่ได้เติมตอดอาหารวันนี่ยดีมากๆคือคือวันนี้ ส, สามวันแรกมันจะทรมานมากแต่พอเลยจากสามวันนั้นไป วันที่สี่สติมันจะตื่นมากคือพอเราหิวปุ๊บเราจะเราจะดูอากันมันไปเรื่อยจนทั้งเราไม่ทุกแล้วก็แล้วสติมันตื่นจนถึงวันที่6กแบบสติตื่นดีมากจนรู้สึกว่าโอ้เข้าใจเลยว่าทําไมแบบพาทูดโดมถึงได้อดหาหาุดมหันต์ระหว่างบรรภาวนานอยู่ดีส ต, ติตื่นมากทั้งที่ไม่ทาอะไรเลยนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมแต่ตอนนี้คือคืออยู่ในฐานปัญญาธรรมทํากิจกรรมทุกอย่างใช้กําลังอะไร เหมือนเหมือนทุกคนหมดเลยแล้วก็คือมาจำแบ่งกลุ่มที่ทานอาหารก็ไม่ทานอาหารเราก็สามารถไปนั่งร่วมกับคนที่ทานอาหารได้ก็เราก็รู้สึกเฉยเฉยไม่ไม่รู้สึกอย่างไม่รู้สึกอะไรเลยแต่แบบสติมันตื่นดีมากๆแต่หลังจากมาปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียมคือว่ามันมันจะใช้ได้เฉพาะที่เราต้องอยู่ในสถานที่แบบนั้นถ้าเรามาใช้นิชชินสิงะมันมันมันมันกลมกลืนไปไม่ได้ แต่เราจะกล้าหาญแบบนี้ถ้ามันไม่มีจริงเราก็ยอมอดนถ้ามันจําเป็นต้องไม่นอนก็ไม่นอนก็คล้ายเหมือนบางคืนนอนไม่หลับก็เรื่องของมันเรากล้าหาญแบบนี้อยู่แบบเออไม่หลับก็เรื่องของมันก็เออไม่ไม่กังวลมันบินทบายไม่ได้กินก็เดี๋ยพรามาไปทุดลองนะบางวันก็ไม่ค่อยได้กินก็เออแคกินเท่านี้ก็ไม่ต้องกังวลมันจะหิวหรือเปล่าก็ทํางของมันอย่างนี้หรือบางคนไม่ไม่เคยลองทานมื้อเดียวก็กังวลนะ ไปทานสองมือ้อสามมือ้อนะไม่ค้าทานมื้อเดียวก็มันก็ดูพวกนี้ก็ได้บางทีอาจจะไม่ดีตลอดก็ไม่เป็นไรนะเห็นถึงว่าอาจจะมีความอยากแล้วเห็นความอยากก็ได้เหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันแต่แต่บางทีอย่างอดอาหารนะอาจจะดีสาหรับในแนวที่จะทำสมาธิมสมาธิพอพอกายมันไม่ไม่ได้ ใช้พลังงานในการเผาผัานอไอ้พวกอาหารต่างๆจิตกายมันก็จะเบาขึ้นก็จะส่งผลให้จิตมันเบาไปด้วยอันนี้ทาสมาธิมันก็จะดีในตานนี้แต่ถ้าเนื้สติถ้าเราจะเอา ส, ต, าาอาสติก็เอาเป็นสติในการรู้รู้เวทนาที่เกิดขึ้นกับกายหรือรู้เวทนาที่เกิดขึ้นกับใจแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน อเด็กตัวจ้าเหมือนกับแล้วก็คิดว่าก็อยากมาพักผ่อนพักใจพักใจยอะไรอย่างเงี้คิดว่าน่าจะทำได้พอมาถึงว่าแรกๆก็กลัวผีค่ะก็กลัวกลัวตอนที่ลงไป ทำว่าเช้าอะค่ะเพราะว่ามันต้องเดินในที่มืดเองที่นี่ก็วันแรกๆก็กลัวอยู่นะแต่ว่าพอว่าหลังๆก็แบบพาจัานก็เท่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราว่ามันก็คิดขึ้นมาได้ว่าแบบอะไรเนี่ยให้เราอยู่กับปัจจุบันอะไรเงี่ยก็ก็เลยคิดว่า้ว่าปัจจุบันผิวยังไม่หลอกเราเลยคิดทาไมอพอเดินเดินมันก็แบบก็มีแค่ลมมีแค่าการเดินอะไร มันก็ไม่หมาต้ไม่ต้องเียคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ค่าสิ่งที่มากระทบก็เลยก็เลยเดินมาทําได้ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็ดีค่ะนั่งหยู่ไ้รู้สึกของพระไคยสักที่ตรงนั้นวันนึงก็บรรยากาศนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวได้ละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็ก็คิดว่าดีที่ได้มาทํานะคะ ไม่รู้วันที่สนมกไม่รู้ชิดยังไงถึงยกมืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือว่ามันติดเทอมพอดีอะค่ะแล้วมันก็จะมีว่างอยู่ประมาณสองอาทิตย์เท่านี้นะคะก็เลยอยากจะลองมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าดีมาวันนี้ก็ก็อยากพูดก็คือรู้สึกตัวรละเอียดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบบางเรื่องที่เคยหลงไว้คิดไว้ไวก็ กอยมันผ่านไปอะไรอย่างเง้ยแต่ก็แบบก็ไม่ได้ไปหามมันพอกลับมาได้ก็รู้ตัวว่ามันก็กลับมาได้แล้วก็แบบคอยดูสิ่งรอบๆตัวที่แบบมากระทบอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อะไรกับมันก็นั่งดูมันไปเฉยก็โอเคดีแล้วอี่างน้อยก็ได้มีปัญญาเห็นนะว่าผีมันเด <c oughs> ยังไม่มาก็อย่ายไปกลัวมันจริงทุกเรื่องรานในชีวิตเราก็คล้ายๆนะั้นนะเรื่องที่เป็นความกลัว นี่ยกลัวกลัวจะเจ็บกลัวจะตายอยสมมตินะมันก็มันยังไม่เกิดขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันใช่ไหมกลัวใครจะว่าไม่อะไรนะกลัวจะของหายไหมกลัวจะอะไรติดวังไม่มันก็บางทีมันยังไม่เกิดนะแต่จริงพอมันเกิดจริงๆเราก็จริงๆเราอาจจะชนะมันก็ได้หรือเราไม่ทุกข์ก็ได้นถ้าเราฝึกไปดีนะมันก็ มันก็จะเห็นเนี่ยแหละเห็นความกลัวที่มันปุุมแต่งในจิตทําให้เราทุกข์เรียว่าทุกข์ล่วงหน้านะ <c oughs> บางทีเราก็ทุกข์ไอสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเราก็กลัวหรือบางทีมันต้องเผชิญอยู่แล้วแม้ไม่กลัวมันก็ต้องเผชิญ น, นะใช่ไหมความตายอยูนะ่น <c oughs> แม้ไม่กลัวตายมันก็ต้องตายแม้กลัวตายมันก็ต้องตายใช่ไหมแม่เจ็บนียมันก็ต้องเจ็บ แม้ทัดท่าสูญเสียให้กลัวมันก็ต้องเจออยู่แล้วกลัวก็ต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมแฟนเราก็เราแม่เราเพื่อนเราก็ต้องจาก เ, เราไปละ น, นั้นพอไปเชิญหน้าจริงถ้าเรามีจะติจริงก็อยู่กับมันได้ไม่เป็นไรแต่เราจะไปทุกข์ล่วงหน้านะความโง่ของคนก็คือไปทุกข์ล่วงหน้านี่ยแล้วก็เอาทุกข์ในอดีตมาซ้ำเติมตัวเองบ่อยๆด้วยเนี่ยคนเราก็ เรียนมามากจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้เสาลา ต, ตรงนี้ฝึกไปเรื่อยๆนะฮัลโหลวันนี้ภาวนาแล้ว มีความอึดอัดครับอาจารย์ครับแต่ว่ามันก็เห็นว่ามันอึดอัดมันก็ไม่ได้อึดอัดตลอดเวลาครับถ้าตอนช่วงที่มันอึดอัดมันเหมือนกับใจมันเป็นกระดาษกาวครับไปรู้อะไรมันก็ติดอันนั้นยิ่งอึดอัดแล้วมันก็ยิ่งจะอยากปล่อยมันก็ไม่ไม่ปล่อยอะไรนยี้แต่ว่าถ้าไม่มันก็เห็นว่าบางคราวถ้ามันเผลอไปหรือว่ามัน มันมันไม่สนใจอะไรมันมันก็คลายของมันเองอะไรอย่เงี้ยแต่ช่วงที่เราไปสนใจมันมันเหมือนกับว่าเราเรากำมืออยู่แล้วเราก็หันหน้าไปทางอื่นแล้วบอกว่าให้มันแบะสิมันแบะมันไม่แบะมันมันเขาแล้วเรายิ่งมาไปรู้รู้มันยิ่งพยายามรู้สึกตัวมันยิ่งยิ่งไม่แบะใหญ่เลยหืออย่าไปอย่าไปพยายามดูตรงนั้นไงแล้วก็มาพยายามดูทิ่ กายหรือที่อย่างอื่นไปเลยทิ้งทิ้งแงแต่เหมือนมันห้ามไม่ได้ที่จะไปติดมันอะไรอย่างเงี้ย ก, ก็พยายามดูตรงนั้นอยู่แล้วก็มันก็มีบางครั้งที่มันก็รู้แบบสบายๆคือแบบเหมือนเหมือนไม่ได้ตรงใจอะไรมากคือแบบเบาๆอ่ะครั บ, au, บ au. มันมีมันมีความเบาที่แบบก็เหมือนเคลื่อนไหวก็ ดูเฉยๆเบาๆไม่ไม่ต้องไม่มีน้ำหนักอะไรมากมันก็เห็นความความแตกต่างกันระหว่างสองอันแต่ก็ไม่ได้ที่จะใจมันก็รู้สึกเลยว่ามันก็รักอันนึงก็เกลียดอันหนึ่งอยู่อืมเป็นธรรมดาเลยอย่างเงี้ยครับก็แต่บางครั้งเราก็ยังยอมรับตรงนั้นไม่ได้ว่าเรารักอันหนึ่งแล้วกเกลียดอันหนึ่งอยู่อย่างเงี้ย ก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับครับก็ดีครับแต่ต้องไปด้วยให้มันทุกข์เป็นเขคสบางทีอ่านะมันจิตที่บางที่จิตมันก็ดูนับไปมันทุกข์แต่มันไม่มันมันไม่คลายขอมันเองก็ทําให้มันเห็นบ่อยจำบ่อยทุกเบบ่อยมันก็คลายเองแต่ก็ ดีนะที่เรามันแยกแยะได้แล้วว่ามันมีความชอบอปนนี้ไม่ชอบอปนนี้มันมีการรู้แบบไปติดอยู่กับรู้แบบรู้แล้วผ่านไปเลยนะมันก็จะเห็นนะมันก็เป็นที่จริงเป็นธรรมชาติของมันของมันเองนะธรรมชาติของของสติเองบางทีสติมันก็มีกำลังแล้วก็ผ่านไปบางทีสติก็ ก็ไม่มีกําลังก็ก็ติดอยู่วนะเนี่ยก็ธรรมดาเนาะอืมไม่ไรเราก็สะสมอาศัยเนี่ยเราก็สังเกตจิตใจวันนี้แหละฮะแต่ก็ก็กลับมาดูสิ่งที่ที่เราทำเนี่ยนะประสบการเคลื่อนไหวมันม า, มาจะทําให้เราสร้างสติขึ้นมาให้มีกําลังขึ้นแต่เราก็เห็นเห็นจิตใจเห็นความรู้สึกอยู่แหบะบแต่เห็นแบบไม่ได้ ไม่ต้องไปคอยดูมันว่ามันจะหายหรือไม่หายดีหรือไม่ดีเลยก็ก็รู้แล้วก็กลับมารู้ตนี้เลยมันก็จะรู้ทั้งสองอย่างสลับกันไปสลับกันมาเลยนะอืมรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตรู้ทั้งกายทั้งจิตเหมนที่หลวงพ่อเทียนนั่นบอกรู้กายก็เห็นจิตรู้คิดก็เห็นธรรมเนี่ยเรารู้กายเราก็เห็นจิตใจมันมีความคิดหรือเปล่ามีอารมณ์หรือเปล่าพอเราเห็นจิตใจมันปรุงแต่งขึ้นมาจากความที่เป็นปกติอยู่อ๋อ เขาจะเห็นว่าออมั น, ม, นมันโผล่ขึ้นมาจากจากไหนก็ไม่รู้แต่มันก็ดับไปของมันเองครับผมนึกถึงที่พ้าอาจารย์เคยสอนอยู่คำหนึ่งแล้วมันตรงมากๆคือคําว่าไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปพยายามอะไรเดี๋มันจะเอของมันเองเลผมชอบคําว่าจะเอมากเลยครับ <c oughs> คือแบบคือยิ่งพยายามยิ่งไม่เจอแต่ ว, ว่าถ้าปล่อยสบายๆเดี๋ยวก็มาเองก็รู้แล้วก็ไปรู้ก็ไปอย่างเี้ยครับ <c oughs> แล้วก็อีกประเด็นประเด็นสุดท้ายคือรู้สึกว่าพอมาภาวนาอย่างนี้แล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์สอนแล้วก็ได้มีวิถีแบบนี้ครับมันผมรู้สึกว่ามันเริ่มมันไอเส้นแบ่งระหว่างปฏิบัติในรูปแบบบชีวิตประจำวันมันเริ่มเกลนเกลือนกันมากขึ้น ก็เลยพอพอมาเริ่มกลื่นกันในความเป็นธรรมชาติธรรมดามันก็เลยมีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับ <c oughs> มันจะต่างจากครั้งแรกๆหรือว่าตอนไปเข้าคอที่แบบว่าตอนเป็นโยมอยู่คือแบบว่าภาวานานก็ภาวานานอย่างเดียวแล้วพอออกมาในรูปแบบเราก็ตอนนั้นเราก็คิดว่าเราเรารู้สึกตัวในชีวิตประจาวันได้แต่ว่ามันไม่สบายเหมือนมันไม่ธรรมดาเหมือนกับตอน ตอนที่เป็นอยู่ตอนที่ที่ภาวนาอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก <ห atac. S 2> ็ที่จริงเซนนะเขาก็ภาวนาในชีวิตะจำวันนี่แหละนะตักน้ำผ่าฟืนหุงข้าวบินทบาที่จริงก็ก็เป็นเป็นวิธีแห่งการฝึก ส, สติทั้งนั้น แต่สองฝอเทียนก็แค่มาเพิ่มตัวแบบให้เราให้เรามีมีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่ีเฉยแต่จริงก็เครื่องอยู่ที่เราทําก็ถ้าเราทําเป็นธรรมชาตินะไม่เก่งไม่อะไรมันก็มันก็เคลื่อนได้เล่นไปเคลื่อนมือก็ไม่ต้องไปตั้งท่าอะไรเล่นเดินก็เหมือนเดินเล่นเล่นแต่เพียงเนี้ยก็เดินกลับไปกลับมาเฉยแต่ที่จริงก็มันเป็นแค่เครื่องอยู่นะไอ้พวเนี้ยเป็น เพื่อตอนที่เราไม่มีงานอย่างอื่นทำํำเราก็จะได้ทาตัวนี้หรือถ้าเพื่อเป็นคอร์สหรือว่าเพื่อเสริมสอนคนใหม่บ้างก็จะได้มีกรรมฐานหรือว่าให้มีงานให้ให้ได้ฝึกฝนได้กลับมาดูตนตัวเองแครับจริงแต่จริงเพราะว่าอืมชีพจริงนั่นแหละคือคือการภาวนาที่ที่เราต้องผสม การดูตัวเข้าไปให้ได้เยอะๆะแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องดูได้ว่าบางอย่างอะไรที่มันไม่ไม่เอื้อในการภาวนาเช่นคุกคีกับคนที่ไม่ค่อยเป็นมิตรมันก็จูงเงินไปทางที่ไม่ดีอเนี้นแล้วก็กเขาบีบออกมาเลยนะก็แต่ถ้าตนทนากับคนที่เป็นตัดตาบบนุษหรือว่ามีคนที่แนะนําในทาง เพื่อเราลงทางแล้วกข้ามาถูกทางได้อันนี้ก็ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่นกันได้แต่จริงการงานในวัดนะส่วนใหญ่มันก็จะเห็นว่ามันไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากอะใส่รู้สึกตัวอะไเรื่อย <c oughs> ก็ดีครับ ก, ก็ต้องทาทั้งสองอย่างนั้นนะจะทิ้งอย่างใดในงินไม่ได้หรอกจะเอาแต่ในรูปแบบเออเอาแต่นอกรูปแบบอย่างเดียวก็ก็ไม่ได้ต้องมีรูปแบบเหมือนกันนะครับ ในรูปแบบบ้างนะแเราก็ภาวนาอยู่ตรงนี้สักหน่อยกันเนะใกล้ๆสองทุ่มเราค่อยเดินกลับไปใครจะนั่งแยก ไใกล้เสื่อนก็ได้ก็ไฟฉายส่องแล้วกันว่าไม่อันตรายไม่ตกหน้าผาอย่าไปใกล้นะสบายนะ <c oughs> สุกล้วก็สามารถสัมผัสได้นะลมพัดกระทบ แล้วก็ทำพลาดกับความสุขได้แต่แล้วก็ทิ้งไปทำความรู้สึกเนี่ยลมพัดกระทบแล้วก็มันก็ผ่านพัดกระทบแล้วก็ผ่านความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านแล้วก็รู้ไหมความคิดก็เหมือนกันนะมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไป เ, เลย